ธรรมะคําเดียวเนี่ยท่านแจกไปได้เป็นหน้ากระดาษเลยเช่นสมมุติวันนี้ท่านจะอธิบายคําว่าอันต ร, รายสําหรับพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าอันต ร, รายนั้นแบ่งเป็นสองอย่างคืออันต ร, รายที่ปรากฏเห็นชัดๆท่านก็บอกว่าเด็แกเสืองูโรคพร้อนจัดหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะลมเหลือบยุงนี่เห็นง่ายเียกว่าอันต ร, รายโดยตรงสําหรับ เรานะครับส่วนอันตรายที่ปกปิดได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตลิษยามานราคะโทสะโมหะหลุบหลู่คุณท่านตีเสมอมายาอ่านี้เป็นโทษที่ปกปิดปกปิดอย่างไรเดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้เฉลยครับเดี๋ยวท่านจะได้อธิบายกันมันปกปิดจริงๆ นะครับครับนิมนท์ท่านครับทบทวนอันตรายที่ปกติอีกครั้งหนึ่งนะอันตรายโดยโตรงไม่ต้องผมชินกันแล้วหรับขับรถผ่านเฉียวนี่ก็อันตรายเปิดเผยนะเมื่อคืนขากลับไปยังมีรถมอเตอร์ไซค์มีประสบบัติเหตุเลยกลับไปเมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนอันนั้นอันตรายมองเห็นเลยนะอันตรายจากการเจ็บป่วยต่างๆเราก็พอมองเห็นกัน แต่อันตรายในสภาพจิตใจของเราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะสภาพจิตของเราที่เป็นไปกับโลภะเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโมหะเป็นไปกับอิจฉาริษยาพิธิมานะสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเกิดขึ้นมันอันตรายมากมายกว่าอุบัติเหตุภายนอกมากมายแต่ไม่เห็นที่มันไม่เห็นเพราะมันเป็นอันตรายที่ที่ปกปิดนะ ถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมคำสอนขึ้นมาเราจะไม่รู้เลยนะว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายคนกลับสนับสนุนส่งเสริมเช่นกิเลสมานะอย่างเงี้ยมานะเนี่ยคนก็สอนกันนะให้รู้สึกภูมิใจในในสิ่งที่มีนะอ่ะนะคือมานะนั้นนะ่ะจะเกิดการเปรียบเทียบว่าใครมีวิบากที่ดีกว่ากันใครมีกรรมมชโรคที่ดีกว่ากันใครมีสติมีปัญญา ม, มากกว่ากันก็เปรียบเทียบข่มนั่นแหละ นันมานะนั้นบางบางสถาบันก็สนับสนุนด้วยซ้ําไปทําทุกอย่างเพื่อส่งเสริมให้มีมานะมากๆขึ้นบางสถาบันก็สนับสนุนเพื่อให้ส่งเสริมทิฏฐินั่นแหละให้มีทิฏฐิมากขึ้นเรียนวิชา ย, ยังไงที่จะฆ่าได้เยอะๆอย่างไงใช่ไหมเรียนวิชา ย, ยังไงซึ่งจะทําบาปได้มากๆเรียนวิชา ย, ยังไงโกหกได้เก่งที่สุดโดยที่เขาจับผิดไม่ได้อย่างไงย ดังนั้นในศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายที่ปกปิดซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังพระสัทธรรมคําสอนจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายสิ่งเหล่านั้นมีทุกมีโทษนั่นแหละสมมุติถ้าหากว่าวันนี้นะเรากุศลจิตไม่เกิดเลยสมมุติว่านั่งดูทีวีสักสามชั่วโมงเนี่ยซึ่งเป็นเราก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะเราก็ฟังแล้วเราก็พอรู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์สักอย่างเดียว ไม่ว่าทางโลกทางธรรมสักอย่างไม่มีเลยแต่เราก็นั่งดูได้เป็นชั่วโมงอะ่ะซึ่งถามว่าในสองสามชั่วโมงที่จิตเป็นอกุศลนั้นเราเคยคิดว่าเสียประโยชน์ไหมนั่นแหละเพราะมันเป็นอันตรายที่ปกปิดจริงๆริอวิชชาเนี่ยมันปกปิดจริงๆว่าเอ้ น, นี่ไม่มีโทษอะไรเลยนั่นแหละเพราะเป็นสิ่งที่ปกปิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่เปิดเผยนะเราจะไม่รู้เลยจะไม่ไม่มีความสํานึกเลย สมมุติไปนั่งเพอรเจออยู่ทักสมชั่วโมงเนี่ยนะคุยเรื่องทั่วไปสามชั่วโมงเนี่ยไม่เคยคิดว่าหูนี่ทั้งหมดเหล่านั้นนี่อันตรายทั้งนั้นเลยนะมันมีโทษยิ่งกว่าอุบัติเหตุอีกเพราะอุบัติเหตุทั้งหมดเหล่านั้นมาจากอันตรายเหล่านี้นถ้าอันตรายภายในไม่มีคือบาปอากุศลอันตรายภายนอกจะไม่มีเลยนั่นแหละเพราะวิอันตรายภายนอกโรกภคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากนะทุกขกายญาวิญ ญ, ญาณมีอะไรเป็นตัจยัย มีอาคุศน ล, ลเจตนาเป็นปัจจัยนั่นแหละนะเฉะพาะตัววิบากจิตมีอาคุศลเป็นปัจจัยบางอย่างนะกรรมมชรูปนะอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยกรรมมชรูปซึ่งถือว่าเกิดจากบุญใช่ไหมแต่ก็ยังมีอาคุศลบางอย่างมาเบียดเบียนใช่ไหมมีอาคุศลบางอย่างมาเบียดเบียนนะนะที่ที่เป็นเหตุไกลเช่นอย่างนิ้วเนี่ยพองมาเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยอันตรายเบียดเบียน เล่นมีดไปเล่นเล่ น, ลนมาตัดเลยฉับเลต้องไปต่อขึ้นมางอเลยจริจริงทําไมเออคนอื่นเขาก็นิ้วเขาก็ดีๆนะแต่ทาไมนิ้วเราต้องมางอนี <c> ่ย <oughs> นิ้วอีกอันหนึ่งแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันอะของของเขาเนี่ยเอาค้อนไปทุบทุบที่ทุบไอเราเอาค้อนมาทุบแข น, นยังเงนิ้วนี่ก็แตกไปนัหละอันนี้ก็เป็นอันตรายเหล่านั้นเนี่ยทําไมเราต้องเกิดขึ้น ทำให้กรรมชะลปที่ไม่สมประกอบนะักก็มาจากอันตรายที่ปกปิดนั่นแหละนั่นแหละกรรมชะลปที่ที่งามเกิดจากอะไรในเมริกาสูตรนะพนาเมริกาไปถามพระผู้มีพระภาคว่าอาทําไมผู้หญิงบางคนจึงเกิดมารูปงามบางคนเกิดมาทําไมรูปไม่งามบางคนเกิดมาทําไมรวยทรัพย์บางคนเกิดมาทําไมไม่รวยทรัพย์บางคนเกิดมาทมําไมมียศสูงอ่านะ บางคนมีเกียรติมียศสูงบางคนไม่มีเกียรติไม่มียศอะไรเลยลราพอนึกเหตุได้ไหมรวยเหตุก็คือไปถามพระองค์นะพระองค์ก็บอกว่าผู้หญิงบางคนไม่มักให้ทานเหตุของการไม่ให้ทานก็ทำให้จน <c oughs> แลวก็สองนนะที่เป็นคนมีผิวพรรณไม่งามก็เพราะมักโกรธนันะนะก็บอกว่าเขาว่านี่นี่น่นนก็กฟกับฟัดกาเฟอ่ะนะ ลักษณะนั้นก็ทําให้ไม่งามถามว่าทําไมจึงไม่มียศสากสูงไม่เกิดในตระกูลดี<า>พร่อริษยาอิจฉาริษยาก็คือเห็นคนได้ดีไม่ได้เลยะเห็นเขาซื้อรถใหม่นะไม่มีมุทิตากับเขาเลยลักษณะเนี้ยนะริษยาลักษณะนี้เกิดบ่อยบย่ลักษณะนั้นแหละทําให้เกิดในตระกูลที่ที่ต่ำนั่นแหละสาะะเหตุทั้งหมดนี้ก็มาจากอันตรายที่ปอกติดนั่นแหละ <c oughs> อันตรายที่ปกปิดเนี่ยจะยกตัวยอย่างให้ดู น, น, นะนครับมารนะเนี่ยครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเป็นอันตรายนะเขาจะไม่สอนอย่างนั้นนะครับแต่ผู้ใดมีอาชีพทหารนะเขาจะปลูกฝังเรื่องมานนะตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยเข้าไปในโรงเรียนกินนอนเป็นนักเรียนในรอยเนี่ยเขาจะอบรมเลยบอกว่านี่ เวลานี้นะพวกเธอนาะมาเป็นทหารแล้วนี่ไนะเป็นวันนะเป็นวันนะที่เป็นวันนะักษัตทีเดียวนะเป็นนักรบะเป็นนักรบนะเนะี่ยแสดงว่านะท่านจะมาจากนู้นะบันนอกขอกนะจากวันณะอะไรตลอดแต่พอมันรวมแล้วนี่ต่อไปนี้นะท่านเป็นวันนะที่เป็นนักรบเป็นวันณักษัตแล้ว <c oughs> เลือดของท่านนะสีน้ำเงินแล้วนะบลูแบบไม่ เ, เขาแน่นเลยบลูบลัดนะคือว่าพวกาหลังก็ถือว่าพวกเนี้เลือดสีน้ําเงินไม่รู้ว่ามันแบบไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> พอเลือดมาทีไรนก็แดงทุกเดียนะ <c oughs> บอกลูบลัดน้ําเงินคือชาติไ <c> ง <oughs> เพราะนั้นพวกที่มีอาชีพทหารมักจะก้าวร้าวแล้วก็มีถือตัวมีมันนะ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วนะการอบรมในชีวิตประจำวันก็เต็มไปด้วยมันนะ นะจัดมานะให้เป็นให้เห็นชัดเลยว่านี่นะชั้นนี้เป็นมานะอย่างนั้นชั้นนี้เป็นมานะอย่าง น, นี้นะว่าไปเรื่อยเลยแล้วทุกคนต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับอยู่ไม่ได้เนะพราะฉะนั้นผู้ที่จบมาแล้วนะครับพบเอากิเลสมาโอ้โหเยอยะแยะเลยหนาะปึกเลยมีมีบางท่านนะเราว่าโอ้ยเรานี่มันมานะมาตลอดเลยเครับว่าวมันต้องด่าครับว่าว ทำไม่ด่า ง, งานไม่เตดนั่นแหละมันถ้าหากว่าไม่มีคำสอนนะทั่วไปแล้วนั่นเป็นความถูกต้องยอมรับว่าเป็นความถูกต้องแต่ถ้าทาคำสอนบอกว่านั่นมีโทษนะจริงอยู่กิเลสบางอย่างนะในขณะที่ทาเนี่ยดูมีความสุขดูมันให้ผลเท่เป็นต้นใช่หมแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีโทษมากมายขนาดไหน ก็เหมือนกับข้าเนี่ยกล้ากินยาพิษให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคนธรรมดานี่ก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นฮีโร่เลยคนเก่งมากกล้ากินยาพิษเข้าไปคนเนี่ยยกย่องนะโอ้โหใจจริงๆเลยนะนับถือใจเลยแต่ถ้าเวลายาพิษให้ผลเนี่ยไปทํำยังไงบาปอากุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันเวลาที่ทําเนี่ยมันก็เหมือนกับยาบางอย่างนะเหมือนยาพิษที่ผสมน้เพิ่งนั่นแหละเวลากินแล้วมันหวานมันอร่อย แต่ถ้ามันให้โทษขึ้นมานะเช่นไปเกิดในตระกูลต่ำไปร้องหาความเห็นใจาจากใครถ้าเกิดมาเป็นคนตาบอดเป็นคนพิการเป็นคนไร้ทรัพย์รูปชั่วตัวดำหาเช้ากินขําอาบเงื้อตางน้าถ้าไม่ตายก็ไม่ได้กินคือถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ได้กินถามว่าไปไปถามหาความผิดเหล่านั้นมาจากใครบางคนเนี่ยนะ ทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยหาพอจะสักสิบยี่สบาทไม่มีเลยขายเสื้อผ้าที่นุ่งอยู่ในตัวทักสิบยี่สิบบาท ม, มีใครเอาเลยในกระเป๋ายังไม่มีเงินอีกน้ำซ้ําติดยาเสร็จติดอีกตั้งหากนั่นแหละเด็กบางคนนะรู้อายุสิบกว่าขวบสามารถที่จะค้ายยาและขายยาม้าละบางคนเนี่ยขนาดนั้นเลยนะถามว่าไปหาความผิดจากใครเด็กคนนั้นเนี่ยกลับเรียนหนังสือก็แทบไม่ได้เรียนเลยเรียนเรีย น, ยนกัดขาด นหละแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจิตใจค่อนข้างดําพอสมควรแะแั้นถ้าไล่มาตั้งกระต้นตั้งกระต้นก่อนที่จะมาตกต่ําขนาดนั้นเนี่ยเหตุมาจากไหนเราเคยคิดไหมว่าโหถ้าหากว่าคนที่ก่อกรรมทําชั่วในอยู่ในฐานะตําแหน่งที่ดีขึ้นอาศัยตำแหน่งฐานะตําแหน่งที่เรียกว่าอภพยากตธรรมเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดบาปเกิดอกุศล อนนี้อากุศลมาเล่นงานตกต่าไปแล้วถ้าหากว่าเราไปไปอยู่ในในถิ่นที่บางถิ่นเนี่ยเราจะเห็นใจ จ, จริงๆเลยว่าน่าสงสารจริงๆงนั่นแหละของนำมาเนี่ยอาศัยเดินตายก็ที่ที่บ้านอยอมรู้ ก, การเนี่ยมีพวกหายพวกทากะนะค่อนข้างเยอะเราเดินไปท่านมืดๆเนี่ยก็เดินเหยียบปั๊บเหยียบไปมันก็อเปลือกมันก็คมอ่ะนะถ้ามันบาดตายเอ้ไม่มีหมอเลยอะ่ะไม่มีใครเอาไปรักษาไม่มีใครไปทายาให้มันเลย จะมาฟ้องเราก็ไม่ได้ว่าคุณเนี่ยประมาทนะคุณมาเหยียบผมถ้าเป็นขับรถขับอะไรใช่ไหมถ้าขับรถไปเฉียวมนุษย์ปั๊บเนี่ยมันต้องรับผิดชอบนะคนขับเฉียวอะ่ะกฎหมายต้องเอาละแต่นี้ไม่มีหอยท่าที่เราเหยียบไปก่อนแล้วบางทีกวาดไปนะใช่ไหมไปโดนมันขากุ๊ดสักขาขาหนึ่งอย่างเงี้ยใครไปรับผิดชอบทําอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างนั่นแหละทั้นผลเหล่านั้นก็มาจากโลภะมาจาก โทสะมาจากโมหะมาจากมานะนั่นแหละถ้าหากว่าเราสํานึกในเจตนาเหล่านี้ว่ามีโทษจริงๆนะคําสอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีโทษถ้าเราเริ่มสมาทานที่จะเห็นโทษอย่างเงี้นะตั้งใจเลยเพระองค์บอกมีโทษเราคิดเลยว่ามีโทษตามพระพุทธเจ้าแล้วค่อยจับตามมองพฤติกรรมของสิ่งเหล่านี้มองเห็นโทษของกิเลสแล้วจะมันจะมีตลอดสายของเขาเลยถ้าเราตั้งใจศึกษาเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้อยู่แล้ว กิเลสเหล่านี้เป็นสัจจะไ้ยเป็นเป็นสัจจะข้อไหนเป็นสมุทัยยัสส์กิเลสเป็นสมุทัยยัสส์นั่นแหละบาปอากุศลอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยยัสส์ฉั้นกองทุกเหล่านี้ทั้งหมดมาจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละละยังไงเราต้องศึกษาอยู่แล้วนะเรื่องกิเลสเนี่ยอพูดถึงว่าอันตรายที่ปกปิดนี่นะฮะ บรรดาอันตรายที่ปกปิดก็มีปกปิดมากปกปิดน้อยนะไม่เหมือนกั น, นครับอย่างโทสานี่เรียกว่าปกปิดน้อยเพราะเราพอเห็นะนะเราพอเห็นหรือว่าโลภะอาจจะต้องคิดหน่อยคิดหลายชั้นหน่อยโลภะก็ยังพอเห็นนยเพราะฉะนั้นบรรดา บันดากิเลสทั้งหลายนี่นะครับตัวลายลายทั้งหลายเนี่ยปกปิดมากที่สุดตัวไหนท่านว่าตัวไหนปกปิดมิดเลยมิดชิดเลยอ่ะมืดเลยมดเลยอ่ะท่านว่าตัวไหนฮะอืมไม่เลวเนาะ <c oughs> อีกตัวอีกตัหนึง่งอีกตัวหนึงน่งทิศผิดอะ เป็นอย่างนั้นมานะก็ไม่เชิงนะเรายังรู้ว่าฉ่านนี่ฉันถือตัวนะเราพอรู้นะอีกตัวหนึ่งที่ปิดมิตรนิตเลยอ่ะไม่รู้ด้วยว่ามีอ่ะมโมหะอะไรโมหะใช่ัหยไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่าไม่รู้เลยเไม่รู้ก็ยังยังทิฏฐินี่นะเขาจะเข้าใจว่าถูกเลยนะ เช่นสมมุติว่าเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสำนักใดก็แล้วแต่เนี่ยมีใครไหมครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะไอ้ที่ชันปฏิบัติเนี่ยมันผิดไม่มีไม่มีเลยครับทุกสำนักเลยครับร้อยสำนักอะไปถามร้อยคนของฉั้นถูกทั้งนั้นอะแล้วถามว่าแล้วจริงจริแล้วมันถูกทั้งลอย ห, หรือไมาไม่ครับเพราะมันปิดมิดเลยอะ่ะไม่เห็นอะตราบใดที่ยังไม่เห็นถูกนะอันนั้นเนี่ยไม่มีเห็นผิดหรอกครับอันนะ้ อยู่อย่างนี้นะถ้ารักว่าเราจะเห็นเรื่องโทษของโมหะบอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคิดเรื่องอริยตัดกี่ครั้งอะ่ะไอจํานวนครั้งนั่นแหละพอจะเป็นสัมมาทิฐิได้บ้างอานะพอคิดเรื่องอริยศาสตร์ในเรื่องกรรมและผลของกรรมนะขณะนั้น น, นพอเป็นสัมมาทิฐิคือมีปัญญาขนาดที่เหลือโมหะหมดเลยเพราะเพราะอะไรเพราะจิตถ้าเป็นไปกับโลภะจิตนั้นก็ต้องเป็นโมหะร่วมด้วย จิตใดที่เป็นไปกับโทสะจิตนั้นก็มีโมหาร่วมด้วยจิตใดที่เป็นไปกับโมหะมูลจิตก็เป็นโมหะเกิดร่วมด้วยโมหะเกิดร่วมกับอากุศลจิตทั้งสิบสองดวงเพราะฉะนั้นถ้ามองไม่เห็นอริยสัตว์นะขณะนั้น น, นเนี่ยเป็นโมหะจะแทบจะตลอดเลยทีนี้โมหะเหล่านี้เนี่ยจะต้องค่อยๆละด้วยแสงสว่างความมืดนี้ต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องละแสงสว่างนะ ถ้าแสงสว่างน้อยก็ละความมืดได้น้อยถ้าแสงสว่างมากก็ละความมืดได้มากถ้าสว่างระดับพระพุทธเจ้านะไม่มีมืดเลยมีรัศมีโดยรอบอันพระพุทธเจ้าพระองค์อุปมาพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาทิตย์ซึ่งสว่างมากพระธรรมคาสอนของพระองค์เหมือนกับแสงสว่างพระสงฆ์เหมือนกับผู้ที่ได้ประโยชน์จากแสงสว่างเหล่านั้นนั้นเพราะในโลกเนี้ยที่จริงแล้วศัสตร์เนี่ย เ, เรียกว่าเป็นโลกที่บอด ที่ว่าเป็นโลกบอดเพราะเป็นโลกที่ไม่เห็นอริยสัจขันธโลกเนี่ยนะทุกคนมีขันธโลกหมดเลยในขันธโลกเนี่ยมันมีอวิชชาปกปิดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจนะโลกของเขาจึงเป็นโลกที่มืดมิดแต่พระอรหันต์นั้นเป็นโลกที่สว่างว่างนั้นทําโลกให้สว่างคือขันธโลกเพราะท่านมีปัญญาถ้าปัญญาของท่านเกิดขึ้นจะส่องปัญญานั้น ความสว่างของปัญญาที่ส่องเพื่อละคลายความมืดอย่างนี้เรียกว่าตะทางข้าประหารนั่นแหละละในขณะนั้นๆที่เห็นความความสว่างเกิดขึ้นจะละนั้น น, นชั่วแวบชั่วแวบนั้นเช่นเห็นขันห้าปั๊บถ้ารู้ขันห้าขณะที่ใส่ใจขันห้าละสกา ย, ยทิฏฐินะรู้ปัจจัยของขันห้าละอะไรละทิฏฐิที่มีเหตุไม่สม่ำเสมอหรือละ วิจิกิจชาถ้าหากว่าเห็นปัจจัยของขันห้าจะละวิจิกิจช้าได้ถ้ามีการแยกแยะมีการพินิจพิจารณาใค่ควรก็จะละความเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ถ้าเห็นเกิดละอุดเฉท ท, ทิฐิได้ถ้าเห็นเสื่อมละสัตตะทิฐิได้ถ้าเห็นว่าของน่ากลัวจะละความยินดีได้ถ้าเห็นว่ามีโทษจะละความ สำคัญว่าไม่มีโทษได้นั่นแหละมันค่อยค่อยละไปเรื่อยเรืยเรื่อยเรืัรน้นถ้าปริญญาไม่เกิดนะส่วนใหญ่เมื่หมดอะถึงมหากุสลญาณวิปปยุทธกไ็ไม่ไม่สว่างพอที่จะเรียนรู้ความจริงเหล่านี้ได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่อบรมญาณสัมปยุทธมากๆแล้วยาณวิปปยุทธก็สามารถหยั่งถึงได้เหมือนกันนั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นในเรื่องตรงนี้นั้น ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการใคร่ครวนเขาเรียกว่าเพ่งพินิษอ่ะพินิษพิจารณาก็คือเพ่งเพ่งเรื่องอนะวิปัสนาภูมิเป็นมีหกนะตรงที่เรามาศึกษาพระธรรมเนี่ยให้เน้นรรมหกหมวดนี้เยอะๆหน่อยนะขันหนึ่งนะวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนา ก, ก็คือขันหนึ่งสองธาตุสามอายตนะสี่อริยสัจ หอินทรีย์และก็หปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นอารมณ์ของปัญญานี่เป็นภูมิของปัญญาถ้าหากว่าปัญญาไม่ถ้าความรู้เหล่านี้ไม่เกิดนะนั่นแหละเป็นอวิชชานั่นแหละเป็นโมหะนะลืมตาป๊บเอ็นนี่อายตนะนะยใจอย่างนี้ไหมถ้าสายใจเอนี้จะพอพอเป็นปัญญาได้บ้าง ได้ยินเสียงปั๊บเออนี้ธาตุนะเออนี้ก็พอจะเป็นบรรยากับเขาได้มั้งเอนี้ทุกข์ศัตรอันนี้ก็ใกล้ใกลเคียงบรรยาเข้าไปแล้วอะนี้อีทอ่านี้ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นโอ้นี้เริ่มเข้าเขาขึ้นนั่นคือศึกษาธรรมะต้องเป็นนักคิดนะครับเจนนั้นเป็นนักคิดนักไตรตรองนักสังเกต ผ่าอ่านผ่านไปปั๊บนี่คงไม่ใช่ผ่านไปเฉยบอกอันตรายที่ปกปิดนี่มันปกปิดมากน้อยแค่ไหนตัวไหนบ้างปกปิดมากตัวไหนปกปิดน้อยอน่าคิดคื อ, ค, อคือพอขันขันมันยังไงเอ่ยน่ามันต้องออกไปคิดนะครับเจนพานักคิดอะอายุธนะมันยังไงอายุธนะแล้วจริงๆมันคืออะไรเจรนออจพานต้องต้องค่อนข้าง แม้แต่ใส่ใจในคําว่าขันธาตุอายตนะเป็นต้นนะยังตึกต่อไปอีกนะคือคล้ายๆถ้าเป็นประตูอ่ะนะคําว่าขันมันก็เหมือนกับประตูเท่านั้นเองมันเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งมีอางจักรกว้างขวางอยู่ในนั้นนะ่ะเหมือนกับประตูเมืองเลยอ่ะผมเนี่ยทราบซึ่งในความหมายของอายตนะที่อัฏฐะเขาว่านํามาซึ่งความเจริญก่อความเจริญนํามาซึ่งสังสารทุทธเนี่ยอายตนะ เมื่อมันต่อกันแล้วนี่นะตาต่อกับสีแล้วเนี่ยมันก่อความเจริญอะ่ะมันไม่ต่อกันเฉยมันต่อหยุดแค่นั้นไม่ได้มันจะต้องตามาเป็นพลวนเลยอไปถึงนู่นวิถีจิตนะคนเรียนวิถีจิตมาแล้วนี่นะอืมจริงฮะอัตถกถาท่านพูดไว้นี่เห็นชัดเลยก่อความเจริญแล้วลงท้ายก็คือว่านำมาซึ่งสังสารพุทธโอ้นี่อายตนะมันแบบนี้เนาะมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นโลกอีกโลงเลย อีกคำหนึ่งที่สนใจมากก็คือว่าติดเรียกว่าติดหูเลยนะคืออุปธทนะอุปบทเนี่ยนะถ้าจะแปลง่ายๆก็คือกิเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อัตทะของอุปบทินี่นะครับอุปธทคือสภาวธรรมที่ทรงไวซึ่งทุกแม่ตรงนี้สิอุปธทคือสภาวธรรมที่ทรงไวซึ่งทุก ตอนนี้มันก็มีมีอะไรบ้างล่ะไอสภาพธรรมที่มันมันทรงไว้ซึ่งทุกมันก็แตกเป็นเป็นขันทูปฐิขันพะบวกอุปฏิเป็นขันทูปฏินี่เออขันห้านี่มันทรงไว้ซึ่งทุกยังไงเนี่ยหม่นี่มันมันก็เห็นมันชักเห็นกว้างขึ้นไปอีกแล้วใช่ไหมครับเต็มทอนแล้วก็อะจะเป็นกิเลสูปฐิก็ชัดเจนอยู่แล้วนะขันทูปฐิแล้วก็ อไอ้เจตนาว่างไงนะฮะอภิสังขารูปธิอะิสังขารูปทิโอ้โหนี่พออะพิสังขารูปทินี่นะมันยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยเพราะว่าไอ้เจตนาต่างๆนี่นะอะพิสังขาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเจตนาที่เป็นปุญญาพิสังขาระปุญญาพิสังขารเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นอภิสังขารอภิสังขารูปทิไอ้อันนี้นี่แหละครับ มันนำมาซึ่งทุกโอ้เยอะแยะเลยเนาะอย่างขันทุปที่นี่นะครับมันนำมาซึ่งทุกยังไงครับเดี๋ยวท่านจะลองสาธยายให้ฟังดูสักหน่อยได้ไหมครับ่ก็ชาติพิทุกขาเป็นต้นแน่นะนั้นชาติพิทุขาชราพิทุกขามารนามพิทุกขังโสกะปริเทวะทุกโธมนัสสุปายาสาพิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโค พวกนี้แหละเป็นเป็นผลของก็คือขันนั่นเองแหละที่มันเป็นในลักษณะนี้อ่ะใช่ไหมคือมองเห็นภาพของขันห้าว่ามันเป็นทุกข์จริงจริงขันทูปที่นี่นะมันมองเห็นว่าโอ้โหรูปขันนี่นะเราต้องบำรุงรักษามันยังไงยังไงเนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วนี่นะเออจริงนะขันทูปทินะครับมันเห็นเลยว่ารูปรูปขันนี่มันเป็นมันนำมาซึ่งความทุกข์อย่างไรนะครับ เพนะนอีกขันสีเราไล่ๆล่ไปดูเนี่ยมันจะเห็นมันจะเข้าใจคำว่าอุปธิอย่างชัดเจนเจนพานแล้วก็อภิสังขารูปธินั้นอ่ะตรงนี้นี่ของ ม, มากำลังสนใจมากเลยเจตนากรรมซึ่งมันซัดเราไปในภพภูมิต่างๆเราเคยของรามาคิดนะว่าไอคนที่กำลังพูดเนี่ยเจตนาที่กำลังพูดเปล่ปาเปๆเนี่ยมันให้ผลนำเกิดได้ คนกำลังเดินดุมดุมดุมดุดุมดุมดุ ม, ด ม, ดมเจตนาบางอย่างให้ผลนําเกิดได้นะในขณะที่เดินนั่นแหะขณะที่นั่งคิดอยู่นั่นไอ้ความคิดอันนั้นเจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดนั้นนั้นเนี่ยเป็นนานักขัดนิกากรรมนั่นแหะบางครั้งร่วงกรมบบงงมงกรมบดบางบางครั้งไม่ร่วงกรรมบดแต่ไอัที่ไม่ร่วงกรรมบทมันก็ไปสนับสนุนไอ้ที่ร่วงกรรมบดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมันเป็นความผิดอ่ะมันก็เหมือนกับคนทําผิดกฎหมายอ่ะนะ เรียกว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันสะสมมันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสร็จแล้วปัญหามันเข้าไปฉาบพับเข้าไปยินดียิ่งเลยตัญหานี่จะเข้าไปยินดีในในเจตนาพร้อมกับเจตนาด้วยแล้วตัญหาตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไอ้เจตนาทั้งหมดมาเป็นบริขารของมันมาเป็นบริวารของมันแล้วก็ซัดไปในภพภูมิต่างๆอันวันนี้เนี่ยเราสร้างภพภูมิกี่ภพแล้วตั้งแต่เช้ามาจนเย็นในนเนี่ยนะนะ สร้างกี่ภพแล้วนับไปท่วนะแต่ส่วนใหญ่นะสร้างแต่กรรมมาพบอะ <c oughs> แล้วก็โดนมากก็ไม่ค่อยดีด้วยทีครับ <c oughs> เพราะว่าไอ้เจตนาต่างๆนี่นะฮะในชวนะนี่มีผลนำเกิดได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้ผลในประวัติการหลังเกิดนี่เจนิญพรให้ผลเลย <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันนํามาซึ่งทุกยังไงเนี่ยไม่ต้องกล่าวเลยอะ่ะใช่เพราะนั้นอกุศลเนี่ยมันให้ผลเจ็บปวดอยู่แล้วนะนะปวดทางกายปวดทั้งใจด้วยแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมไอ้ไอ้ความคิดลักษณะนี้บ่อยๆมากเราเคยคิดไหมว่าเราต้องแบกความทุกข์ข้างหน้าอีกมันเท่าไหร่ซึ่งวาตาสงสารของเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมกล่าวได้ไหมว่าโอ้ชาติสิ้นแล้วผมมาจันจบแล้วคีนาชาติยังไงไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักคําเลยเมื่อไม่ได้สักคำเนี่ย เจตนาที่เรากําลังเนี่ยที่ยมคิดคิดอยู่เนี่ยมีผลหมดเลยเว้นตัวเดียวนะโมหะมูลจิตที่มันอประกอบไปด้วยอุทธจารนั้นดวงนั้นดวงเดียวที่ไม่นําเกิดนะในดวงนั้นก็ยังหลังให้ผลในประวัติการนะเราคิดดูดีขั้นนาที่โมหะน่ะนะโมหะอุทธจารเนี่ยยังให้ผลเลยอะชมีอยู่ดวงเดียวอ่ะ